พระบัญญัติ548ก็ภิกษุใดใช้ให้ทำสันถัดคนเจียมดำล้วนต้องอบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องพระชพคีจบ